วันนี้เป็นวันที่ยี่สิบสามธันวาคมพุทธศักราชสองพันห้ารอยหกสิบเอ็ดใกล้วันสิ้นปีเข้ามาเวลาก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วเวลานี้ท่านเปรียบเทียบเหมือนกับงูใหญ่ งูใหญ่ที่ค่อยเขมือบเยื่อเข้าไปที่ละเล็กที่ละน้อยถ้าไม่สังเกต ด, ดูก็เหมือนกับว่ามันไม่ได้กําลังเขมือบเยืออยู่แต่ถ้าไม่ดูมันสักพักแล้วหันกลับมาดูก็จะเห็นว่ามันเยื่อมันค่อยๆเข้าไปในปากเข้าไปในท้องของงย วันเวลาก็เหมือนกันถ้าเราไม่พิจารณาเราจะไม่เห็นว่ามันกำลังเขมบทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้ไปเช่นปีนี้ครูบาอาจารย์ก็ร่วงโรยถูกเวลาเขมบไปกินไปหมดไป เวลานี้มันจะเคลื่อนไปเรื่อยๆไม่มีวันหยุดไม่มีวันถอยกลับเวลามันจะค่อยๆเขมือพวกเราเข้าไปตอนนี้พวกเรายังไม่ได้ถูกมันกขมือเข้าไปหมดเรายังสามารถทําอะไรที่มีคุณมีประโยชน์ ต่อจิตใจของพวกเราได้อยู่เราจึงไม่ควรที่จะปล่อยให้เวลาอันมีค่านี้หลุดไปลอยไปผ่านไปโดยที่เราไม่ได้มาทำกิจที่สำคัญที่พระพุทธเจ้าทรงมอบให้กับพวกเรา ให้มาประพฤติมาปฏิบัติกันเกียรติที่สําคัญต่อชีวิตจิตใจของพวกเราคืออะไรก็คือเกียรติในอริยสัจสีนี่เองที่เราเรียกว่าเกียรติในพรหมจรรย์ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ก็ประพฤติเกียรติในพระอริยสัจสีนั่นเอง พระอริยาาสัจสี่คืออะไรก็ ค, คือความจริงสี่ประการด้วยกันเป็นความจริงที่เป็นอมะตะเป็นความจริงที่ไม่มีเปลี่ยนไม่มีหายไปเป็นคำจริงตลอดเวลาทุกยุคทุกสมัยไม่ว่าจะเป็นสมัยก่อนพระพุทธการก่อนที่มีพระพุทธเจ้ามาทรงตัดสรุ พระอริยสัจสีพระอริยสัจสีก็มีอยู่แต่ไม่มีใครรู้จักมามีคนรู้จักก็ในยุคของพระพุทธเจ้ายุคที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรุตัดสรุอะไรก็ตัดสัุอริยสัจสีทรงเป็นผู้ค้นพบอริยสัจสี่เมื่อทรงค้นพบแล้ว ก็ทรงนำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกอย่างพวกเราเมื่อมีผู้ที่สนใจได้ศึกษาได้น้อมนำเอาไปปฏิบัติก็สามารถที่จะถ่ายทอดความรู้ในพระอริยสัจสี่ถ่ายทอดกิจในพระอริย ส, สัจสีให้แก่ผู้อื่นได้ต่อไป ก็เลยมีการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับกิตพระอริยสัจสีนี้มาอย่างต่อเนื่องจนมาถึงยุคปัจจุบันนี้พระอริยสัจสี่ก็ยังเป็นพระอริยสัจสี่เหมือนเดิมไม่มีวันเปลี่ยนแปลงอนาคตที่จะมาก็เหมือนกัน พระอริยสัจสี่ก็ยังเป็นพระอริยสัจสี่มีอยู่ในโลกนี้ตลอดเวลาอยู่ที่ว่ามีคนรู้จักพระอริยสัจสี่หรือไม่เท่านั้นเองซึ่งตามคำทำนายของพระพุทธเจ้าทรงได้ทำนายว่าภายในห้าพันปีพระอริยสัจสี่ก็จะไม่มีคนรู้จักเพราะ จะขาดการถ่ายทอดต่ออนุชนรุ่นหลังที่จะตามมาพอไม่มีการถ่ายทอดไม่มีการสืบทอดพระอริยสัจสีก็จะไม่มีใครรู้จักพระอริยสัจสีแต่พระอริยสัจสีก็ไม่ได้หายไปไหนอยู่ในยุคกว้างจากพระอริยสัจสี่ จนกว่าจะมีคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้าคนต่อไปที่จะมาส่งคนพบพระอริยสัจสีใหม่บุคคลนี้ที่เราเรียกว่าพระสีอริยเมตไตรต่อไปหลังจากที่พระอริยสัจสีได้หายสาบสูญไปจากความทรงจำของสัตว์โลกแล้ว ก็จะมีพระโพธิสัตว์องค์ใหม่เช่นเดียวกับเจ้าชายสิทธัตถะที่ออกบวชเป็นสมมาโคดมและได้ตัดสรลุพระอริยสัจสีใหม่แล้วก็จะนำเอาพระอริยสัจสีนี้มาเผยแผ่ให้แก่ผู้ที่ไม่รู้ต่อไปผู้ที่ได้ยินได้ฟังแล้วมีความรู้ความสามารถ ้อมที่จะรับพระ อ, อริยสัจสี่ไปปฏิบัติได้ก็จะสามารถรับประโยชน์อันยิ่งใหญ่ได้คือได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายการเวียนว่ายตายเกิด การจะหลุดพ้นได้นี้ต้องเกิดจากการปฏิบัติกิจในอริยสัจสีนี่เองไม่ใช่เพียงแต่รู้จักว่าอริยสัจสีคืออะไรอย่างที่พวกเรารู้กันพวกเรารู้ว่าอริยสัจสีคืออะไรบ้างรู้ว่าทุกข์สมุทยัยนิโรธมรรคนี่คือพระอริย 4. สัจสีสัจธรรม หรือความจริงสี่ประการเรารู้ว่าทุกข์คืออะไรรู้ว่าสมุทัยคืออะไรรู้ว่านิโรธคืออะไรรู้ว่ามรรคคืออะไรแต่เราไม่รู้จากวิธีปฏิบัติต่อพระอริยสัจทั้งสี่ว่าปฏิบัติอย่างไร พระอิยสัจทั้งสี่นี้มีกิจในแต่ละข้อที่ไม่เหมือนกันนะเช่นกิจข้อที่หนึ่งคือทุกขนะ์กิจในทุกข์คืออะไรคือทุกข์ก็ต้องกำหนดรู้ต้องนัลึกรู้อยู่เสมอไม่ให้ลืมให้รู้ว่าอะไรคือทุกขนะ์สองกิจในสมุทัยคือต้องละ สมุทัยที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ตัวที่สร้างความทุกข์ขึ้นมานี้คือสมุทยัยได้แก่ตัณหาสามประการด้วยกันกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหานี่เป็นตัณหาความอยากที่ต้องละและนิโรธคือการ หลุดพน้นจากความทุกข์ต้องทำให้แจ้งกิยรตนิโรธคือต้องทาให้แจ้งต้องทำให้การหลุดพน้นปรากฏขึ้นมาและเกียรติข้อที่สี่คือมกักต้องเจร Important ิญให้มากต้องเจริญให้สมบูรณ์นี่คือกิยในอริยสัจสีที่เรามักจะไม่ค่อยได้ยินได้ฟังกัน เราจะได้ยินได้ฟังกันบ่อยคือพระอริยสัจสี่เราจะได้ยินว่าทุกสมุทยัยนีโรธมากแต่เรามักจะไม่ค่อยได้ยินเรื่องกิจในอริยาาสัจสี่กันเพราะผู้ที่ปฏิบัติกิจในอริยาาสัจสี่นี้มีไม่มากนั่นเองหรือได้ยินเราก็ไม่รู้ว่าท่านกำลังสอน กิในอริยสตสี่ส่วนใหญ่เราจะได้กินได้ยินกิจข้อที่สี่คือมรรคมรรคที่เป็นทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์นี่คือม 8, รรคแปดลือศีลสมาธิปัญญาหลือทานศีลภาวนาที่ท่านคอยสั่งคอยสอน ให้พวกเราหมั่นปฏิบัติกันอยู่เรื่อยๆนั่นเองนี่คือมรรคกิจในมรรคคือการทำทานการรักษาศีลการภาวนานีเ่เป็นการทำกิจในอริยสัจสี่ 4, ข้อที่สี่คือมรรคแด้เป็นกิจที่จะทำให้เกิดกิจใน ข้อที่หนึ่งข้อที่สองและข้อที่สามโดยอัตโนมัติเพราะการทำบุญทำทานการรักษาศีลการภาวนาจะนำไปสู่การกำหนดรู้ทุกจะนำไปสู่การระลึกถึงความทุกข์เช่นเวลาที่เราเจริญปัญญาเราต้องหมั่นพิจารณากันอยู่เรื่อยๆว่าเราเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่ เป็นธรรมดาลงพ้นความแก่ไปไม่ได้ลงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้ลงพ้นความตายไปไม่ได้ลงพ้นการพัดพากจากกันไปไม่ได้ถ้าเราละเลิกอยู่เรื่อยๆก็แสดงว่าเรากําลังจเจริญกิจในข้อที่หนึ่งคือทุกต้องกําหนดรู้ เราต้องรู้ว่าอะไรคือความทุกข์ของพวกเราความทุกข์ของพวกเราคือการเกิดนี่เองเพราะเมื่อเกิดแล้วก็จะมีการแก่การเจ็บการตายการสูญเสียการพัดภาคตามมาพอเกิดการแก่การเจ็บการตายการสูญเสียการพัดภาคตามมาก็เกิดการร้องห่มร้องไห้ เศร้าโศกเสียใจกันตามมานั่นเองนี่แหละคือทุกข์ที่พวกเราไม่อยากจะคิดถึงมันกันไม่อยากจะให้มันเข้ามาหาเราแต่อยากหรือไม่อยากเราหนีมันไม่พ้น เ, เมื่อมีเกิดแล้วมันจะมีแก่มีเจ็บมีตายตามมามีการสูญเสียมีการพัดพรากจากกันตามมาอย่างแน่นอน ถ้าเราไม่ละลึกมันจะทำให้เราทุกข์มากเวลาที่เราจะต้องเจอกับความแก่ความเจ็บความตายต้องเจอกับการพัดพรากจากกันกับการสูญเสียสิ่งต่างๆหรือบุคคลต่างๆไปแต่ถ้าเราละลึกลื้ออยู่เรื่อยๆเราจะได้มาเตรียมตัวเตรียมใจ รับกับเหตุการณ์นั้นวิธีรับกับเหตุการณ์นั้นก็คือต้องละตันหาความอยากที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้เราทุกข์กันความจริงแล้วความแก่ความเจ็บความตายนี้มันไม่ได้มันไม่ได้เป็นตัวที่ทําให้เราทุกข์เพราะมีผู้คนที่ไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายไม่ทุกข์กับการพัดพรากจากกัน บุคคลที่สิ้นกิเลสคือพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายท่านไม่ทุกขกับความแก่ความเจ็บความตายไม่ทุกขกับการสูญเสียไม่ทุกขกับการพัดพรากจากกันเพราะท่านสามารถละตัณหาทั้งสามได้แล้วนั่นเองตัณหาที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์เมื่อไม่มีต้นเหตุของความทุกข์ทุกข์ก็เกิดไม่ได้นั่นเอง เหมือนไฟไฟจะลุกไม่ได้ถ้าไม่มีเชื้อไฟไฟจะลุกก็ต่อเมื่อมีเชื้อไฟถ้าเราเอาเชื้อไฟออกไฟก็จะดับ เ, เห็นหมั้ยเตาแก๊สเวลาเราจะจุดเตาแก๊สเราต้องเปิดแก๊สก่อนนะแก๊สเนี่แหละคือเชื้อไฟพอเปิดแก๊สจุดไม่ขีดจุดประกายไฟขึ้นมานิดเดียว ไฟก็จะลุกขึ้นมาพอเราต้องการหยุดใช้เตาแก๊สเราก็ปิดแก๊สเท่านั้นเองพอปิดแก๊สไฟก็ดับนะอันนี้ก็เหมือนกันทุกที่เกิดขึ้นภายในใจของพวกเรานี้เกิดจากตัณหาความอยากทั้งสามนี้เองเกิดจากกามาตัณหาความอยากในกามคุณทั้งห้าคือรูปเสียงกลิ่นรสผลพภะภาะวะตัณหา ความอยากมีอยากเป็นอยากได้นั่นอยากมีนี่อยากเป็นนั่นอยากปีนี่ส่วนใหญ่ก็อยากในราบยศสรรเสริญนี่เองอยากร่ำรวยอยากมีเงินทองอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากเป็นหัวหน้ากันอยากไม่เป็นไม่เป็นลูกน้องมีแต่อยากจะเป็นหัวหน้าอยากเป็นเจ้านายไม่อยากจะเป็นผู้รับใช้เจ้านาย เรียกว่าภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาความอยากไม่เป็นไม่เป็นลูกน้องไม่อยากเป็นไม่อยากยากจนไม่อยากทุกยากลำบากไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายนี่ที่เป็นตัวทำให้ใจทุกข์กันพอเปลี่ยนตําแหน่งจากหัวหน้ามาเป็นลูกน้องนี่ก็ทุกข์กันและทะลับกัน เดี๋ยวเปลี่ยนนายกนายกคนเก่าก็ทุกข์แล้วนายกคนใหม่ก็ดีใจแต่เดี๋ยวก็ทุกข์ตามมาเพราะว่าไม่มีใครจะเป็นนายกไปได้ตลอดเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันไม่จีรังถาวรมันเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาคือมันต้องมีการเจริญแล้วก็ต้องมีการเสื่อมมีขึ้นก็ต้องมีลง อนัตาคือห้ามมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้พยายามสั่งยังไงห้ามมันยังไงก็สู้มันไม่ได้อย่างคนปัจจุบันก็พยายามสั่งมันไม่ให้มันเปลี่ยนแต่เวลามันก็ดันมาให้เปลี่ยนถึงเวลาแล้วต้องลงแล้วต้องเลือกตั้งแล้วพยายามที่จะยืมันยังไงยืดมันยังไงก็ ลากมันไปยังไงเดี๋ยวก็ลากไม่ไหวเดี๋ยวก็ต้องยอมเดี๋ยวก็ต้องยอมเลือกตัง้งนี่คืออนัตตาได้อะไรมาแล้วจะไปห้ามไม่ให้มันจากเราไปไม่ได้แม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องจากเราไปเกิดจากความทุกเกิดจากความอยากไม่ให้มันไปนั่นเองเราได้อะไรมาแล้วมักอยากจะให้อยู่กับเราไปเรื่อย หรือไม่ได้อะไรก็อยากจะได้มันพอเวลาอยากได้มันก็กินไม่ได้นอนไม่หลับกันนะเช่นตอนนี้กำลังเลือกสอวอ ส, อสอเตรียมตัวเลือกกันแล้วพวกอยากได้นี่ก็กระวนกระวายกระสับกระส่ายแล้วพวกไม่อยากได้อย่างพวกเราก็สบายไม่เดือดร้อนพอเรารู้ว่าเรามันยังไม่ถึงขั้นไม่ใช่อะไรหรอก ที่ไม่ไม่อยากได้เพราะไม่ใช่ว่าไม่อยากได้แต่รู้ว่ามันอยากก็ไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ก็เลยไม่อยากมันดีกว่าแต่ถ้าไปอยู่ในอยู่ในวงจรอยู่ใน อ, อยู่ในรัตสมีที่อาจจะสามารถได้ขึ้นมานี่ อ, อยากมันโผล่ขึ้นมาทันทีแล้วก็จะกะวลกวาจะกระสับกระสาย จะกินไม่ได้นอนไม่หลับยังไม่ทันได้เพียงแต่อยากใจก็ปวนนะใจก็วุ่นแล้วแล้วเดี๋ยวพอเขาค้ดเลือกเสร็จเขาไม่เลือกเราก็เศร้าอีกนี่คือทุกข์ที่เกิดจากความอยากเกิดตั้งแต่ยังไม่ได้พออยากปุ๊บนี่ยังไม่ได้ก็ทุกข์แล้วแล้วถ้าไม่ได้ก็ยิ่งทุกข์ใหญ่ถ้าได้ก็ดีใจเดียวๆแล้วก็มาทุกข์กับสิ่งที่ได้ เขาต้องคอยดูแลรักษางดูแลรักษายัางไงเดี๋ยวมันก็ไปละได้อะไรมาเขาก็มีบางอย่างเขาก็มีกําหนดเวลาบางอย่างเขาก็ไม่มีกําหนดเวลาบางอย่างเขากบอกสี่ปีต้องเปลี่ยนบางอย่างเขาไม่ได้บอกแต่ก็อาจจะเปลี่ยนได้เพราะนอกจากเวลาแล้วมันมีอย่างอื่นมาทําให้เปลี่ยนได้เช่นตําแหน่งตําแหน่งที่ตลอดชีวิตเนี่ย พอตายไปเพราะมันก็หมดได้แล้วจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันเองนะอาจจะตายปีนี้ก็ได้ตายปีหน้าก็ได้หรืออีกสิบปียี่สิบปีก็ได้ไม่มีใครรู้แต่ที่แน่นอนก็คือมันต้องตายมันต้องไปกันนี่คือเรื่องของเวลาใช่ไหมเวลามันจะกลืนทุกอย่างไปหมดใครจะใหญ่ใครจะรวยขนาดไหนเดี๋ยวเวลามันก็กลืนไปหมดะ ดูอดีตที่ผ่านมาบุคคลที่ยิ่งใหญ่บุคคลที่ร่ำรวยอันนี้เข้าไปอยู่ในท้องงูแลงูมันกินเข้าไปนะอันนี้คือเรื่องของสมุทยัยที่ต้องละจะละก็ต้องอาศัยมรคนี่แหละมรคนี่แหละเป็นผู้ทําหน้าที่ในกิจอริยาศัสตร์สี่ทั้งสี่ข้อเลย ถ้ามีมรรคเราก็จะมีสติมีปัญญาที่จะระลึกรู้ความทุกข์ได้ตลอดเวลาเราก็จะมีสติปัญญาคอยเตือนใจสอนใจว่าเราอยู่ในโลกอนิจจงนะโลกของการเกิดแก่เจ็บตายโลกของการพัดภาคจากกันพอเรารู้แล้วเราก็มาศึกษาต่อว่าแล้วทำไมเราจึงต้องมาทุกข์กับการแก่การเจ็บการตาย ็เพราะเราไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายนั่นเองเราอยากจะอยู่ไปนานๆนแต่ความจริงมันเป็นไปได้หรือไม่ใครอยู่ไปได้นานๆหรือไได้มากก็ไม่แค่ร้อยปีส่วนใหญ่นานๆจ ะ, จะเจอคนเกินร้อยปีสักคนหนึ่งแต่ส่วนใหญ่ไม่ถึงร้อยปีกันก็ต้องไปกันนี่คือมรรคเนี่ยคือสติปัญญาคือ ความคิดตามความความเป็นจริงมันจะทำให้เราเห็นอ น, นิจจังเมื่อเห็นอ น, นิจจังมันก็จะทำให้เราลดละตัณหาความอยากได้เมื่อเรารู้ว่าได้อะไรมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องเสียมันไปได้ลาบยศจรละเสริญได้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องเสียมันไปเสียลาบยศจรละเสริญ ดูคนที่เสียไปสิคนนั่มรวยเศรษฐีอันดับไหนของโลกก็ตามพอถึงเวลาตายมันก็เสียหมดมีกี่แสนล้านมันก็เสียไปหมดเป็นตำแหน่งใหญ่โตขนาดไหนพอถึงเวลาตายมันก็หมดไปถ้าเห็นอย่างนี้ด้วยปัญญามันก็จะทำให้เราละตั้หาความอยากได้ไม่เอาดีกว่า ได้มาแล้วเดี๋ยวเสียไปก็จะเสีย อ, อกเสียใจแล้วในขณะที่อยากได้ก็วุ่นวายใจกินไม่ได้นอนไม่หลับต้องดิ้นรนต้องขวนขวายต้องตะเกียกตะกายหามาแทบเป็นแทบตายเดี๋ยวพอตายไปก็จบหรือบางทีไม่ทันตายคนอื่นมาแย่งเอาไปก็มี นี่คืออันนี้จังเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสปปรรพสิ่งสรรพสัตว์สปปรรพบุคคลทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้ได้มาแล้วไม่ช้าก็เร็วก็ต้องมีการจากกันระหว่างที่ได้มาก็มีแต่ความวิตกกังวลกันทุกวันนี้เราวิตกกังวลกับเรื่องอะไรก็เรื่องของกับเรื่องที่เรามีอยู่เนี่ยวิตกกังวลกับร่างกายของเราสุขภาพของเรา ต้องไปตรวจร่างกายทุกปีไปตรวจทำไมตรวจเพราะกลัวมันจะเป็นอะไรแล้วการไปตรวจแล้วไปห้ามมันไม่ให้เป็นได้หรือเปล่ามันก็เป็นอยู่ดีแล้วพอเป็นมันก็ต้องรักษาที่ให้ตรวจก็เพราะว่าเผื่อมันรู้ล่วงหน้าไว้ก่อนว่ามันจะเป็นหรือเพิ่งเริ่มเป็นมันอาจจ ะ, ะรักษาได้ แต่มันรักษาได้ก็ช่วระยะหนึ่งนะเดี๋ยวมันก็ต้องเป็นไม่เป็นอย่างนี้มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแล้วในที่สุดมันก็ต้องไปเจอแบบที่รักษาไม่ได้พระพุทธเจ้าทรงสอนทรงรู้มาตั้งก่อนพวกเรามาเกิดว่าโาครคภัยไข้เจ็บของพวกเรานี้มันเป็นแค่สามชนิดเท่านั้นนะโรคชนิดที่หนึ่งก็คือเกิดขึ้นมาแล้วไม่ต้องทำอะไรเดี๋ยวมันก็หายเอง โรคบางอย่างปวดหัวปวดท้องเป็นหวัดเนี่เป็นสักสองสามวันสี่ห้าวันจะรักษาหรือไม่รักษามันก็หายได้มันเป็นของมันเองแล้วเดี๋ยวมันก็หายของมันเองนี่คือโรคชนิดที่หนึ่งโรคชนิดที่สองก็คือมันเป็นแล้วต้องรักษาถึงจะหายถ้าไม่รักษามันก็เป็นอยู่อย่างนั้นมันไม่หายโรคที่สาม จิตที่สามพอมันเป็นแล้วรักษาหรือไม่รักษามันก็ไม่หายมันมีแต่จะตายเท่านั้นก็มีแค่นี้เองโครคภัยแค่เจ็บของร่างกายยานผู้ที่รู้โรคทั้งสามนี้แล้วก็ไม่ค่อยวุ่นวายไปกับการที่จะต้องไปคอยตรวจโรคตรวจอะไรตรวจไปก็เท่านั้นถึงเวลามันก็ต้องเป็นไปตามเรื่องของมัน ในที่สุดทุกคนก็ต้องมาเจอโรคชนิดที่สามด้วยกันใงนไม้มไม่ว่าจะตรวจโรค ก, กันทุกปีทุกหกเดือนทุกสามเดือนหรือทุกเดือนก็ตามตรวจไปแค่นั้นตรวจไปแล้วเดี๋ยวมันก็มันก็ไปเจอโรคที่สามอาจจะต่างกันตรงที่พวกที่ตรวจบ่อยๆอาจจะอ า, อาจจะยืดอายุการใช้งานให้ยาวออกไปหน่อยเพราะเวลามันเป็นอะไรก็ พอมันเริ่มเป็นก็แก้ไขได้ทันทีสําหรับพวกที่ไม่ได้ตรวจเนี่ยพอมันพอมันเป็นพอจะมารู้สึกว่ามันเป็นมันก็แก้ไม่ได้แล้วก็มีมันก็มีต่างกันแค่นั้นเองแต่มันก็มันก็ตายเหมือนกันไม่ช้าก็เร็วก็ต้องตายเหมือนกันั้นหนีความตายไม่พ้นแล้วก็ต้องทุกข์เหมือนกัน ตรวจหรือไม่ตรวจก็ทุกข์เหมือนกันเพราะตายเหมือนกันถ้าอยากจะทำให้ไม่ทุกข์ไม่ได้อยู่ที่ตรวจแล้วไม่ตรวจอยู่ที่ตายหรือไม่ตายอยู่ที่อยากหรือไม่อยากถ้าไม่มีความอยากให้ถ้าไม่มีความอยากอยู่ถ้าไม่มีความอยากไม่ตายความตายไม่เป็นปัญหากับใจความตายจะไม่ทำให้ใจทุกข์แต่อย่างใด ความเจ็บไข้ได้ป่วยจะไม่ทำให้ใจทุกข์แต่อย่างไดความแก่จะไม่ได้ทำให้ใจทุกข์แต่อย่างใดเพราะถ้ามีมรรคมีสติมีปัญญาก็จะรู้ว่าสิ่งที่ต้องมารักษามาแก้ไม่ใช่ที่ร่างกายมาแก้ที่ใจมาแก้ตัวที่ทำให้ใจทุกข์ตัวที่ใจทุกข์ก็คือกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหานี่ ถ้าละถ้าทำกิจในข้อที่สองได้ถ้าละตัณหาได้ความทุกข์ในใจจะไม่มีไม่ว่าร่างกายจะเป็นอะไรก็ตามร่างกายจะหนุ่มจะสาวจะแก่จะเจ็บไม่เจ็บจะตายไม่ตายความทุกข์ในใจจะไม่มียันต้องแก้ให้ถูกที่อย่าไปแก้ที่ร่างกายอย่าไปคอยตรวจร่างกาย มาคอยตรวจใจดีกว่ามาตรวจดูว่าตันหามันลดน้อยลงเรือผลเพิ่มมากขึ้นดีกว่าเพราะตัวนี้แหละมันเป็นตัวที่มีผลกระทบต่อจิตใจเราไม่ใช่ที่ร่างกายร่างกายตรวจถ้าตรวจล้วผลออกมาดีก็ดีใจเดี๋ยวพอผลตรวจออกมาไม่ดีเริ่มวุ่นวายใจแล้วสิน้ำตาลขึ้นแล้วสิไขมันขึ้นแล้วสิ ทีนี้วุ่นวายใจกินไม่ได้นอนไม่หลับขึ้นมาทันทีแต่ถ้ามาดูที่ใจดีกว่าดูว่ายังอ ย, อยากอยู่หรือเปล่ายัางอยาก you, ไม่ตายหรือเปล่ายังอยากไม่เจ็บหรือเปล่ามาดูตัวนี้ดีกว่ามาแก้ตัวนี้ดีกว่าตัวนี้แก้ได้ตัวที่ร่างกายแก้ไม่ได้ไขมันมันขึ้นในบางทีมันไม่ยอมลงน้ำตาลขึ้นมันไม่ยอมลงความดันขึ้นมันไม่ยอมลง แก้ยังไงมันก็ไม่ลงถ้ามาแก้ที่ใจดีกว่าใจนี้ยังแก้ได้มาลดล ะ, ะตันหาดีกว่ามาทํากิจในอริยสัจข้อที่ข้อที่สองดีกว่าข้อที่หนึ่งเราทําแล้วเราลูกแล้วว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเอ็นถ้าเราไม่อยากจะทุกกับความแก่ความเจ็บความตายเราก็ต้องมาทํากิจข้อที่สองคือเราต้องมาละสมุ ท, ทยัย ละความอยากทั้งสามนี้ความอยากทั้งสามนี้ทำให้เราอยากอยู่กันอยากเที่ยวมันก็ต้องมีร่างกายใช่ไหมต้องมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงถึงจะเที่ยวได้ถ้าเป็นร่างกายที่เป็นอมมาเพิกอมมาพาดพิกลพิการร่างกายที่เจ็บนอนอยู่ในโรงพยาบาลจะไปเที่ยวได้ไหมให้พยาบาลเข า, าลากเตียงออกไปเที่ยวได้ป่ะปีใหม่นี้ขอไปเข้าหาวได้ป่ะ <c oughs> ไปไม่ได้แล้วใช่ไหมนั่นแหละความอยากมันทําให้ทุกข์พออยากแล้วไม่ได้ทําตามใจอยากมันก็ทุกข์แต่ถ้าไม่มีกามาตัญหาไม่มีความคิดอยากจะไปส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ไหนเ อ, อยู่ที่ไหนมันก็ไม่ทุกข์อยู่ในโรงพยาบาลอยู่ในวัดอยู่ในกุฏิอยู่ในปา่าในเขา อ, อยู่ที่ไหนก็ไม่เดือดร้อนถ้าไม่มีความอยากไป ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เ yeah. พราะละแล้วว่าการไปเที่ยวมันก็แค่นั้นแหะมันก็อันนี้จังความสุขเดี๋ยวเดียวพอปีใหม่ผ่านไปพอส่งท้ายปีใหม่ผ่านไปปั๊บเดียวหายไปละความสุขที่ได้จากการไปฉลองกันทีนี้ก็มารอฉลองกุดจีนต่อแต้วเดี๋ยวก็สงการต่อะ มันก็จะหลอกให้เราไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้าเรายังมีความอยากอยู่ความอยากมันก็จะมองไปที่ปฏิทินเรื่อยแต่ไม่เคยมองวันตายสักทีปัญหามันอยู่มองแต่วันเที่ยวกันแต่วันตายมองไม่เป็นวันตายมันก็มีอยู่ได้ทุกวันรู้หรือเปล่ามันมีถี่กว่ายิ่งกว่าวันเที่ยวเองวันเที่ยวมันยังต้องรอวันเสาร์วันอาทิตย์วันหยุด เนี่ยเช่นตอนนี้รอวันสี่วันที่จะเกิดขึ้นในข้างหน้านี้แล่ะแต่วันตายมาจะเกิดก่อนในสี่วันนี้ก็ได้ไปดูสิที่โรงพยาบาลมีคนตายอยู่ทุกวันอุบัติเหตุบนท้องถนนมีอยู่ทุกวันอุบัติภัยต่างๆมีอยู่เรื่อยๆเราจะถึงคิวมันเราจะถึงคิวเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้ไอ้พวกนี้มันไม่บอกเรามันชอบมาแบบเงียบๆ ไม่ส่งสัญญาณมาบอกก่อนเฮ้ย hey, พวกนี้จะตายแล้วนะแต่มันตายได้ทุกคนนี่คือความไม่เที่ยงของร่างกายของพวกเราที่เราต้องคอยกําหนดรู้อยู่เรื่อยๆต้องรู้ทุกอยู่เรื่อยๆ ร, รู้ว่าร่างกายนี้มันจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายจะต้องมีการพัดพากจากกันมีการสิ้นสูญเสียสิ่งต่างๆไปแล้วเรา จะไม่มีเวลาที่จะมาทําในกิจอริยศาสตร์สีถ้าเราเรู้เราเลือกรู้อยู่เรื่อยๆเราจะได้มาพิจารณาดูว่าเราควรจะทํากิจอะไนดีควรจะทํากิจในอริยศาสตร์สี่หรือควรจะทํากิจในโลกธรรมสี่โลกธรรมสี่ก็คือกิจที่พวกเราทํากันอยู่เป็นประจํานี่แหละ คือการหาราบยศสรรเสริญสุขนี่เองเรียกว่าโลกกระทำส่วนกิจในอริยสัจสี่นี้เราแทบจะไม่ค่อยทำกันเลยทำก็เดือนละครั้งอย่างที่ได้กำหนดกันชวนกันไว้เดือนละครั้งมาวัดกันสักครั้งหนึ่งมาทำกิจในอริยสัจสี่กันสักครั้งหนึ่งส่วนอีกสามสิบอีกยี่สิบเก้าวันก็ไปทำกิจในโลกกระทำกัน กิในโลกธรรมเป็นกิจที่จะทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาไม่ใช่เป็นกิจที่จะดับความทุกข์เพราะกิดในโลกธรรม4สี่มันจะเพิ่มตันหาความอยากให้มีมากขึ้นไปเรื่อยๆแต่เมื่อพอได้ลาบยศสรรเสริญสุขมาแล้วนี่พอไหมไม่พออยากจะได้เพิ่มเท่าเดิมก็ไม่ดีใจแล้วกินเงินเดือนอยู่เรื่อยๆซ้ำอยู่เรื่อยๆนี่ไม่พอใจแล้วนะ ต้องขึ้นเงินเดือนต้องเงินเดือนขึ้นถึงจะดีใจถึงจะมีความสุขความอยากมันเพิ่มขึ้นล่ะตอนต้นเวลาไม่มีงานทําก็เพียงแต่ขอให้ได้งานทําก็ดีใจแล่ะพอได้งานทำแล้วทาไปสักพักนี้ไม่พอใจอีกล่พราะเงินเดือนไม่ขึ้นตําแหน่งไม่ขึ้นนี่ก็อยากจะให้มันขึ้นก็เกิดความวุ่นวายใจขึ้นมานกว่าจะได้การแสนจะเนหน็ดเหนื่อยเพราะจะต้อง มีการประท้วงกันบ้างมีการต่อรองกันบ้างมีการหยุดงานบ้างอะไรต่างๆเจราจากันไปเจราจากันมาานที่สุดเขาก็อาจจ ะ, อะยอมขึ้นให้หรือถ้าเขาเห็นว่าขึ้นไม่ไหวเขาก็อาจจะให้เราเลือกระหว่างทำต่อหรือออกจากงานก็ได้อันนี้เป็นปัญหา ถ้าเรามุ่งไปสู่การหาราบยศสารเสริญสุขเราจะไปเจอแต่ความทุกข์อยู่ข้างหน้าอยู่เรื่อยๆ เ, เพราะไอ้ความอยากของเรามันมันไม่ลดลงไปมันจะเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆถ้าเราไปในทางของราบยศสารเสริญสุขแต่ถ้าเรามาทํากิจในอริยสัจสี่ความอยากมันจะน้อยลงไปเรื่อยๆ เงินเดือนที่ได้กับรู้สึกมากเกินไปเสช่แล้วต้องเอาไปทำบุญทำทานเสช่แล้วเป็นอย่างนี้ต่างกันยิ่งทํกิจอายอริยสัจสีได้มากเท่าไหร่ความรู้สึกความทุกข์จะน้อยลงไปเรื่อยๆความสุขจะมีเพิ่มมากขก้นไปเรื่อยๆจนในที่สุดความทุกข์ก็จะหายไปหมดนิโรธ การหมดทุกข์ก็จะปรากฏขึ้นมาในใจถ้าเราทำกิจในอริยสัจสีกิจข้อที่สามก็จะเป็นกิจสุดท้ายที่จะปรากฏขึ้นมาคือการทำนิโรธให้แจ้งจะทำนิโรธให้แจ้งได้ต้องเจริญมรรคต้องมีมรรคเป็นเครื่องมือเพื่อ น, นำเอาไปกาหนดรู้ทุกข์ไปละตัณหาความอยากพอรู้ทุกข์แล้วรู้ว่าต้นเหตุของความทุกข์คือ คืนกามะตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาพอละตัณหาด้วยมรรคได้การละตัณหาก็ต้องใช้ใช้มรรคละใช้สติใช้ปัญญาใช้สมาธิละพอละได้นิโรธก็จะปรากฏขึ้นมาการพ้นทุกข์ก็จะปรากฏขึ้นมาตามลําดับตามลําดับของตัณหาที่เราละได้ พอตันหาตัวไหนเราละได้ความทุกข์ในตัวนั้นหมดไปทุกที่เกิดจากการอยากดื่มกาแฟพอเลิกดื่มกาแฟได้เลิกอยากกาแฟได้ต่อไปก็จะไม่ทุกข์กับเรื่องการดื่มกาแฟมีกาแฟหรือไม่มีกาแฟก็จะไม่เดือดร้อนทุกที่เกิดจากการสูบบุหรี่ทุกที่เกิดจากการดื่มสุราทุกที่เกิดจากการไปเที่ยวทุกที่เกิดจากการ ไปซื้อของฟุ่มเฟือยซื้อของไม่จำเป็นต่างๆของหรูหราต่างๆความทุกข์ต่างๆเหล่านี้มันจะหมดไปถ้าเราละความอยากที่จะไปทำกิจเหล่านี้ได้จะละได้ก็ต้องมีมาร์คนั่นเองต้องใช้มาร์กเป็นเครื่องมือนี่แหละคือกิจในอริยสัจสีทุกต้องกำหนดรู้ตัณหา หรือสมุไทยต้องละนิโรธต้องทำให้แจ้งมักต้องเจริญให้สมบูรณ์ถ้ามรกไม่สมบูรณ์ก็จะไม่สามารถที่จะทำกิจข้อหนึ่งข้อสองและข้อสมได้สมบูรณ์ถ้ามรกได้ห้าสิบเปอร์เซ็ก็จะทำกิจในในข้อหนึ่งข้อสองข้อสามได้ห้าสิบเปอร์เซละตัญหาได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ ทำให้ทุกข์ดับไปได้ห้าสิบเปอร์เซนแต่ถ้ามรรคมีเต็มร้อยก็จะสามารถกำหนดรู้ทุกข์ได้ตลอดเวลาพอเกิดตัณหาความอยากขึ้นมาก็ละตัณหาได้ทันทีพอละตัณหาได้ทุกครั้งนิโรธก็จะปรากฏขึ้นมาเต็มร้อยนี่แหละคือกิจในอริยสัจสี่ ที่ไม่มีใครจะรู้ได้ด้วยตนเองนอกจากพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวพวกเราต้องรอให้คนอย่างพระพุทธเจ้ามาตัดสรู้กิจในอริยสัจสี่แล้วเราถึงจะสามารถปฏิบัติกิจในอริยสัจสีได้พระพุทธเจ้าทรงตัดเกี่ยวกับกิจในอริยสัจสีไว้ดังนี้ทุกที่ต้องกำหนดรู้ เราได้กำหนดดูแล้วโดยที่ไม่มีใครสั่งไม่มีใครสอนสมุดไทยที่ต้องละเราได้ละแล้วโดยที่ไม่มีใครสั่งไม่มีใครสอนนิโรธ ท, ที่ต้องทำให้แจ้งเราได้ทำให้แจ้งแล้วโดยที่ไม่มีใครมาบอกมาสอนเรามรรคที่ต้องเจริญให้สมบูรณ์เราได้เจริญอย่างสมบูรณ์แล้วโดยที่ไม่มีใครมาบอกเรานี่แหละคือ ความแตกต่างระหว่างพระพุทธเจ้ากับพวกเราพวกเรานี้ต่อให้มีคนมาสอนยังไม่ยอมทำเลยลวรวภาษาอะไรถ้าไม่มีใครมาสอนมันจะไปทําเลยขนาดมีคนมาสอนมาบอกปากเปียกปากฉีกอยู่ทุกวันนี้บอกให้เจริญมรรคอยู่เรื่อยๆมันยังไม่ยอมทำเลยบอกให้ทำบุญทำทานมันก็จะไปเที่ยวอยู่นั่นจะเอาเงินไปเที่ยวอยู่น่จะไปซื้อกระเป๋าซื้อรองเท้าอยู่นั่นซื้อของฟุ่มเฟือยซื้ออะไรต่างๆอยู่นั่น ไดอย่างนี้มันจะมีวมันจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ยังไงในโลกมันจะปรากฏขึ้นมาได้ยังไงขนาดมีคนสอนมันยังไม่ไปเลยต้องให้ลากางไงสอนไม่ไปดีก็ต้องลาก่านั้นเดี๋ยวลากก็โกรดอีกโกรดอีกเกียรอีกก็ทำไม่ได้อีกอันนี้ต้องเกิดจากศรัทธาต้องเกิดจากการมี ความสามารถที่จะมองเห็นภัยของการเกิดแก่เจ็บตายเห็นโทษของการมีความอยากเห็นคุณของการมีมรกเห็นคุณของการดับทุกข์อันนี้เท่านั้นเนะี่ยถึงจะทำให้สามารถมาทำเกตในอริยสัจสีได้อันนี้คือเกตที่เราเพ่งกระทำกันชีวิตของเรานี่มันจะน้อยลงไปเรื่อย เวลาที่จะมาบำเพ็ญกิจในอริยาาสัจสี่นี้มีน้อยอยู่เรื่อยๆตอนนี้เราควรจะทำตารางนะทาตารางกิจกรรมของเราว่าเราจะเอาเวลานี้มาทำอะไรดีทำกิจในโล ก, กธรรมสี่หรือทำกิจในอริยสัจสี่กิจในโล ก, กธรรมสี่มันก็มีจำเป็นไม่มากคือปัจจัยสี่ท่านเอง ที่มันจําเป็นที่ต้องมีไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามถ้ายัางต้องการให้ร่างกายนี้อยู่ต่อไปกิจในปัจจัยสีนี้ต้องมีด้วยกันทุกคนแต่กิจในโลกธรรมสีกิจในอริยสัจสีนี้เราต้องมากําหนดตารางดูถ้าเราไม่กําหนดตารางเรามักจะไปในทางโลกธรรมสีกันมากกว่าทุกวันตื่นเช้าไปนี่ออกไปไหน ไปทำงานไปหาเงินหาทองหาเงินหาทองเพื่ออะไรถ้าหาเงินหาทองเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็ไปเถิดมันจำเป็นพระยังต้องไปตื่นเช้าขึ้นมาก็ต้องหิ้วบาทเข้าวัดไ้เข้าหมู่บ้านอ น, นี้ก็ไปหาปจัจจัยสีถ้ากิจในปัจัจสี่ต้องทำกันทุกคนแต่กิดในโลกกระทำสีนี้อย่าทำดีกว่าทำแล้วมันได้ไม่คุ้มเสีย ประโยชน์สขที่ได้มันเป็นชั่วคราวเท่านั้นเองชั่วขณะที่มีชีวิตอยู่แต่ตายไปมันมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมันยังทําให้เราต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่ต่อไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเราทํากิจในโลกกระทำสีเพราะกิจในโลกกระทำสีนี่แหละเป็นตัวที่ทําให้เรามาเกิดกันความอยากในในโลกกระทำสีนี่เองคือกามาตฐาหาภาวะตันหา วิภาวะตัณหานี้ก็คือความอยากในโลกธรรมำสีอยากได้ลาบยศสรรเสริญอยากได้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็เลยต้องมีร่างกายพอร่างกายนี้ตายไปความอยากที่มีอยู่ในใจยังไม่ได้รับการชำระจากการปฏิบัติกิจในอริยสัจสีมันก็จะเป็นตัวที่จะเดึงให้จิตเรากลับมาเกิดใหม่กลับมาแกมาเจ็บมาตายมาทุกข์ใหม่อยู่เรื่อย ถ้าตราบใดเรากลับมาเกิดแล้วเราไม่มาทากิจในอริยสัจสี่กันเรามาทากิจในโลกธรรมสี่มาหาลาบยศสรรเสริญมาหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอย่างที่เราทํากันอยู่ในขณะ น, นี้อันนี้คือสิ่งที่เราต้องมาคิดหนักคิดให้หนักถ้าเราอยากจะเป็นคนฉลาดเราต้องชั่งน้ำหนักดูว่า เหตุอันไหนมันเป็นคุณเป็นโทษกันแน่ถ้าเราไม่ใช้เหตุใช่ผลไม่ดูความจริงเราเราจะถูกกิเลตหลอกให้เราเห็นกลับตาลปัดเห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจากเป็นดอกบัวเห็นเกิดในโลกธรรมสี่เป็นดอกบัวเห็นเกิดในอริยศาสสี่เป็นกงจากนพอให้ปฏิบัติธรรมี้โอยทุกข์กันขึ้นมาทันทีเลยะ ให้จองที่พักมาอยู่คนเดียวนี่ยทุกข์ขึ้นมาทันทีแต่ให้จองที่พักไปที่ท่องเที่ยวนี้สุขขึ้นมาทันทีนี่แหละโดนกิเลสหลอกโดนมิจฉาทิฐิมันหลอกเห็นความผิดเป็นชอบเห็นการทํากิจในโลกธรรมสีนี้เป็นสุขเห็นการทํากิจในอริยสัจ ส, สี่เป็นทุกข์ความจริตมันกลับกันการทํากิจในโลกธรรมสีนี้เป็นทุกข์ ทกข์เพราะมันจะทําให้เรากลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆนั่นเองการทํากิจในอริยสัจสีเนี่ยเป็นสุขเพราะมันจะทําให้เราไม่กลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายนั่นเองมันจะเป็นบรลมสุขเนี่ยเป็นปรลมังสุ ข, ขังเนี่ยกิจในอริยสัจสี่ผลที่ได้รับจากกิจในอริยสัจสี่ก็คือนิบบานังปรมังสุขังนี่เองไม่ใช่อะไรที่ไหน่นิพพานเป็นความสุขอย่างยิ่ง อ น, นิพานนี่แหละคือที่คือจิตที่ไม่มีกิเลสตัณหานั่นเองจิตที่ได้ละตัณหาทั้งสามหมดแล้วเรียกวานิพานไม่ใช่สถานที่ไม่ใช่เชียงใหม่ไม่ใช่กรุงเทพมันคือจิตที่มีที่เรามีกันอยู่ในขณะนี้แต่จิตของพวกเราในขณะนี้มันเป็นวัตจิตมันไม่ใช่เป็นวิวัตจิตมันยังเป็นจิตที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ พราะมันยังเป็นจิต ท, ที่มีตัณหาความอยากอยู่ที่คอยดึงจิตให้เรากลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆนั่นเองแต่ถ้าเราสามารถทำกิจในอริยสรรัจสีได้ครบถ้วนบริบูรณ์ตัณหาทั้งสามที่มีในใจจะหายไปหมดใจก็จะเป็นใจที่สะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาใจที่สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากตัณหาทั้งสามนี่ะที่เราเรียกว่านิปาน นิพพานังปรมังสุขังและนิพพานได้ยังตั้งแต่ยังไม่ตายไม่ใช่มารอให้ตายแล้วถึงจะได้นิพพานไม่ใช่อันนี้เข้าใจผิดกันความจริงนิพพานนี้ท่านแบ่งไว้สองแบบด้วยกันแบบที่ยังมีชีวิตอยู่และแบบที่ไม่มีไม่มีร่างกายไม่มีชีวิตแล้วพระพุทธเจ้าได้นิพพานตั้งแต่ยังไม่ตายในวันเพ็ญเดือนหก อายุสามสิบห้าปีนี่พระพุทธเจ้าจิตของพระพุทธเจ้าเป็นนิพพานแล้วนิบานังปรามังสุขขังตั้งแต่บัด น, นั้นไปไม่มีวันสิ้นสุดจนไปจนกระทั่งร่างกายตายไปร่างกายตายไปจิตก็ยังเป็นนิพพานอยู่เหมือนเดิมเราก็เรียกว่านิพพานแบบไม่มีร่างกายนิพพานแบบมีร่างกายกับนิพพานแบบไม่มีร่างกายก็เป็นนิพพานอันเดียวกัน เป็นจิตดวงเดียวกันต่างกันตรงที่ว่าจิตยังต้องแบกภาระของาธาตุขันธ์อยู่หรือเปล่าถ้ายังแบกก็ต้องยังเจอภาระหาเวปัญจักขันธายู่ะพระอาหารหันต์พระพุทธเจ้าทุกพระองค์นี้ตอนที่ท่านยังไม่ตายท่านก็ต้องมีขันธ์ห้ามีมีขันธ์ให้แบกอยู่ใครใครจะเป็นใครก็ตามมีเกิเอ็ดไม่มีเกิเอ็ดถ้าต้องแบกของหนักมันก็หนักด้วยกันทั้งนั้น เองแต่ว่าไม่หนักอกหนักใจทนั้นเองแต่มันหนักตรงที่มันต้องเป็นภาระต้องคอยมาดูแลทุกเช้าเนี่ยต้องไปบินทบาดเนี่ยใภาระเอาเองไปไม่ได้ไปเลี้ยงจิตใจนะไปเลี้ยงร่างกายไปหาอาหารมาให้ร่างกายเอแล้วเดี๋ยวก็เย็นนี้ก็ต้องอาบน้ำทําความชําระร่างกายกต้องคอยดูแลก็ต้องคอยซักจีวงซักจีวอนซักผ้าให้มันอีก เนี่ยเรจิตมาเป็นคนใช้ของคนใช้ทีความจริงคนใช้มันต้องมารับใช้จิตเนี่ยถ้าจิตมีกิเรตเนี่ยจิตมันจะใช้ร่างกายเป็นคนใช้ใช้มันแหลกเลยใช้มันพาไปเที่ยวเนี่ยเดี๋ยวปีใหม่นี้สีวันเดี๋ยวไปจองที่พักที่ไหนกันนะเนี่ยสำหรับพวกคนใจที่มีกิเรตนี่ร่างกายเป็นคนรับใช้แต่สำหรับคนที่สิ้นกิเรตแล้วใจกลับต้องมารับใช้ร่างกาย เพราะไม่ได้ใช้มันไปเที่ยวไหนแล้วไม่ได้ใช้ให้มันพาไปทำอะไรแล้วแต่มันยังไม่ตายก็เลยต้องมาเลี้ยงมันต่อมารับใช้มันเพื่อจะได้มารับใช้พวกเราอีกทีนะพระพุทธเจ้าพระอรหนนันต์นี่ท่านเป็นขี้ค่าของพวกเรารู้อ่ะท่านต้องมาสั่งมาสอนพวกเราเนี่ยทางที่ท่านไม่ต้องมาสั่งมาสอนก็ได้เราสั่งหรือสั่งสอนหรือไม่สั่งสอน ท่านก็ไม่ได้กำไรหรือขาดทุนท่านก็เท่าเดิมจิตก็ยังปรามังสุขขังอยู่เหมือนเดิมไม่สั่งสอนใครก็ปรมังสุขขังสั่งสอนก็ปรมังสุขขังแต่เหนื่อยถ้าสั่งสอนแล้วเหนื่อยร่่งกายมันเหนื่อยเมื่อใช้ร่างกายใช้ใจใจมันก็เหนื่อยด้วยใจถ้าทำงานมากๆมันก็เหนื่อยได้ถ้าคิดมากๆมันก็เวลาสอนธรรมะมันก็ต้องใช้ความคิด คิดมันสอนไปพูดไปมันก็เหนื่อยได้ทั้งจิตใจและทั้งร่างกายเพียงแต่ว่าท่านไม่ทุกข์กับความเหนื่อยนี่เท่านั้นเองแต่ของมันทํางานอยู่มันก็ต้องเหนื่อยร่างกายทํางานก็ต้องเหนื่อยจิตใจทํางานก็ต้องเหนื่อยเพียงแต่ว่าท่านไม่ทุกข์กับมันเท่านี้นี่แหละคือพระคุณของพระพุทธเจ้าพระคุณของพระอรหันตสาวกที่ท่านยอมลดตัวของท่านมาเป็นขี้ข้าของพวกเราเนย รับใช้พวกเราเนี่ยพระพุทธเจ้าดูเนี่ยวันหนึ่งรับใช้ต้องสี่รอบตอนบ่ายก็สั่งสอนญาติโยมตอนค่าก็สั่งสอนภิกษุภิกษุณีสัมมนเนนุบาสกุบาสิกาตอนดึกก็สั่งสอนเทวดาตอนเช้าก่อนที่จะออกไปบิณฑบาตก็เล็งยานดู ว, วันนี้วันนี้จะไปรับใช้ใครดีใครกําลังจ ะ, อ, ะอยู่ในภาวะที่อาจจะต้องตายไป แต่พร้อมที่จะรับธรรมท่านก็จะมุ่งไปหาคนนั้นก่อนส่วนพวกที่ยังไม่ตายก็เอาไว้ก่อนพวกที่กำลังจะตายพวกที่พร้อมจะรับธรรมะถ้าไม่ได้ไปช่วยเขาพอเขาตายไปแล้วโอกาสที่เขาจะได้รับการช่วยเหลือจากพระพุทธเจ้านี้ไม่รู้จะเกิดขึ้นอีกเมื่อไหร่เพราะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เขาจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกแลวไม่รู้ว่าจะมาเจอพระพุทธศาสนาหรือไม่ พระพุทธเจ้าจึงให้ความสําคัญต่อคนที่จะตายคนที่ใกล้ตายแต่พร้อมที่จะรับธรรมได้อย่างพ่อของพระพุทธเจ้าเจ็ดวันก่อนจะตายพระพุทธเจ้าก็ไปไปโปรดพ่อก่อนพระราชบิดาไปสอนจนได้หลุดพ้นเป็นพาาระอรหันต์เจดวันก่อนตายเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นขี้ข่าของพวกเราครูบ า, า, าอาจารย์พระอรหันต์สาวกทั้งหลายเนี่ย ท่านเป็นเหมือนขี้ข้าอย่าพูดว่าเป็นขี้ข้าเลยเดี๋ยวฟังแล้วจะรู้สึกที่พูดนี้ให้รู้ให้ให้เห็นความสําคัญของท่านให้เห็นการเสียสละของท่านว่าเรายอมเป็นขี้ข้าของคนอื่นเหมือนท่านหรือเปล่าท่านท่านนี่แหละเป็นผู้ที่อสมัครใจที่จะมาเป็นขี้ข้าของพวกเราแล้วไม่ได้เรียกร้องค่าตอบแทนด้วยจะให้อะไรหรือไม่ให้อะไรสําหรับใจของท่านมันไม่มากเกินไปมันไม่มัน มันไม่ได้ทําให้มีมากขึ้นหรือน้อยลงใจของท่านเหมือนตุ่มน้ําที่เติมน้ําเต็มตุ่มแล้วจะเติมน้ําเข้าไปอีกกี่ขันมันก็เท่าเดิมมันก็จะไหลออกมามันจะได้แค่เท่านั้นบาลมังสุขขังในใจของพระพุทธเจ้าในใจของพอระอัลันตสาวกทั้งหลายมันก็เป็นปรลมังสุขขังตลอดเวลาจะมาสั่งสอนเราหรือไม่สั่งสอนเราท่านก็ปาลมังสุขขังอยู่นั่น บางองค์ท่านเลยฉลาดขี้เกียจเป็นขี้ข้าเลยหุบปากไม่สอนใครเห็นหหลวงปู่สาวกับหลวงปู่มั่นเห็นไหมหลวงปู่สาวนี่ท่านก็หุบปากสอนก็สอนแก้ศีลสมาธิปัญญ า, นาเนาไปปฏิบัติหนาะท่านก็จบละเทศง่ายๆสั้นๆแต่สำหรับหลวงปู่มั่นนี่ท่านต้องปากเบียกปากฉีกเทศสอนลูกศิษย์ลูกหาจึงต่างกัน หลวงปู่มั่นมีลูกศิษย์มากหลวงปู่สาวนี่มีลูกศิษย์น้อยก็เพราะอยู่ที่การสั่งสอนนี่การแสดงธรรมอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับความสามารถมากกว่าความต้องการจะทำหรือไม่ทาเชื่อได้ว่าทุกองค์อยากจะช่วยเหลืออยากจะสั่งสอนกันทั้งนั้นแต่แต่ละองค์ก็มีความสามารถในการสั่งสอนไม่เท่ากัน บางคนบางคนมีความรู้ทางโลกมากมีมีความสามารถในการพูดในการแสดงอะไรแจ้งมีการแสดงมีการอธิบายได้เก่งก็จะต้องสอนมากบางคน อ, อธิบายไม่เป็นแสดงไม่เป็นก็ก็ไม่ค่อยแสดงไม่ค่อยสอน อ, อันนี้เป็นเรื่องวาสนาของแต่ละคน อ, ะอันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องของกิเลสตัณหา เรื่องของจรลิตของแต่ละคนที่ได้สะสมมาบางคนก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะฉลาดรู้มากรอบครอบรู้หลายเรื่องรู้ครอบบางคนก็รู้ไม่มากรู้เรื่องเดียวอย่างนี้ก็บางทีก็จะสอนธรรมะก็ยากเพราะว่าการสอนธรรมะนี้มันต้องอาศัยความรู้อย่างอื่นมาเป็นองค์ประกอบ ต้องรู้จักการเปรียบเทียบต่างๆเพราะธรรมะนี่มันเป็นนามธรรมาการจะเอานามธรรมามาให้คนที่ไม่รู้จักนามธรรมาเข้าใจต้องมีรูปประธรรมมาเป็นองค์ประกอบเหมือนกับการสอนเด็กการสอนเด็กถ้าสอนด้วยตัวหนังสือนี่เด็กมันอ่านแล้วมันไม่เข้าใจต้องวาดภาพให้มันดูนี่ไก่ตัวไก่เป็นอย่างนี้ตัวไข่เป็นอย่างนี้วาดให้มันเห็นนี้ มันก็จะจําได้นี่คือเรื่องของ เ, อเรื่องของนิพพานเรื่องของจิตของพระอารหันต์ที่เป็นพระอารหันต์เหมือนกันแต่หลังจากที่ท่านเป็นแล้วนี้การที่ท่านจะมาเผยแผ่แผสั่งสอนความรู้ที่ได้เรียนรู้มานี้ให้แก่ผู้อื่นนี้ไม่เหมือนกันบางองค์เก่งก็จะสั่งสอนผู้อื่นได้มาก บางองค์ไม่เก่งก็สั่งสอนไม่ได้มากภาษาพวกของพระพุทธเจ้าจึงมีความเก่งในด้านต่างๆไม่เหมือนกันภาษารีบุตรนี่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าเป็นรองจากพระพุทธเจ้าเท่านั้นในเรื่องปัญญาในเรื่องความสามารถที่จะแสดงธรรมเผยแผ่ธรรมะให้แก่ผู้อื่นได้แต่เรื่องอื่นภาษารีบุตรไม่เป็นเลย เรื่องเหาะเหินเดินอากาศเรื่องอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์นี้ท่านไม่มีเลยอันนี้ยกให้พระโมคคัลลานะไปพระโมคคัลลานะนี้เก่งทางด้านอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์แต่ไม่เก่งทางด้านสั่งสอนเหมือนภาษารีบุตรเนี่ยยังเป็นอักขาละสาวกอง์ซ้ายองค์ขวาเป็นภาษาลีบุตรเพราะการแสดงสั่งสอนธรรมนี้มีคนประโยชน์กว่าการแสดงอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ มีพระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นที่เป็นได้ทั้งทุกอย่างออสั่งสอนก็เก่งมีอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ไม่มีสาวกองไหนที่จะเก่งเกินพระพุทธเจ้าองค์ไหนมีอะไรพระพุทธเจ้ามีหมดมีมากกว่าด้วยเพราะอะไรเพราะว่าช่วงที่ท่านทรงบําเพา็ญบารมีช่วงนั้นท่านต้องลองทุกอย่างทําอะไรก็ทําทุกอย่างบรารมีไหนต้องสร้างก็สร้างมันไป สร้างแบบสุดๆดเนี่ยพวกพระโพธิสัตว์นี่ท่านจะเป็นพวกสุดตรง เ, เวลาสร้างบา ร, รมีนี่ก็สร้างสุดตรงเสียสละทาทานบา ร, รมีก็ทำสุดตงกกรงโดยกระทั่งคนอื่นเห็นว่ามันสุดตรงนะพระเวชสันดรเนี่ยสุดตรงไหมแต่เพราะท่านไม่รู้ว่ามันเท่าไหร่ ถ, ถึงจะพอท่านก็เลยทำแบบสุดๆเลยมันถึงจะมั่นใจว่ามันทำได้เต็มที่แค่นี้แหละจะให้มากกว่า น, นี้ก็มากไม่ได้แล้วนะ ท่านถึงจะสบายใจเข้าใจไหมเนี่ยเพราะการทําสุดๆของท่านเนี่ยมันจึงทําให้ท่านมีความสามารถแบบสุดๆที่ไม่มีคนอื่นที่จะมาเปรียบเทียบได้พวกเราพวกสาวกทั้งหลายนี้ท่านไม่ได้สุดๆนท่านทําพอหอมปากหอมค อ, อก็เลยไม่สามารถที่จะตัดรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้เองต้องรอให้มีพระพุทธเจ้ามาสั่งมาสอนแล้วก็ค่อยมาทํา ทำทำสิ่งที่ต้องทําแบบสุดๆแตส่สิ่งไหนที่ไม่ต้องทําก็ไม่ต้องทําเลยเช่นอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์อะไรต่างๆนี้ท่านก็ไม่ต้องทําเลยไม่จําเป็นจะต้องทําท่านแต่ถ้าไม่รู้ไม่มีใครสอนก็อาจจะต้องไปทําอย่างพระโมคคัลลานในชาติก่อนๆ ก, ก็คงไปทางอิทธิฤทธิม์มากเพราะคิดว่ามันเป็นทางสู่การหลุดพ้นนี่คือเรื่องของ จิตของผู้ที่หลุดพ้นจากความทุกข์แล้วจิตของผู้ที่ได้ทากิจในอริยสัจ ส, สี่ได้ครบถ้วนบริบูรณ์แล้วคือทุกได้กำหนดรู้แล้วสมุทัยได้ละแล้วนิโรธได้ทำให้แจ้งแล้วมรรคได้สร้างให้สร้างขึ้นมาอย่างสมบูรณ์แล้วได้เจริญอย่างสมบูรณ์แล้วถ้ากิจในอริยสัจ ส, สีนี้ครบสมบูรณ์จะครบไม่ครบก็อยู่ที่กิจข้อที่สี่นี้ ต้องเราต้องมาเจริญมรรคกันถ้าเราเจริญมรรคแล้วมันก็จะพาเราไปสู่การกำหนดรู้ทุกข์นำไปสู่การละตัณหานำไปสู่การทำนิโรธให้แจ้งเองโดยอัตโนมัติเพราะมรรคนี้จะเป็นตัวที่จะกำกับกิจทั้งสามข้อนี้ยันหน้าที่ของเราก็อยู่ที่ตรงนี้ให้เรามาสร้างมรรกกันมาเจริญมรรกกันมาทาตารางเวลากัน ถ้าเราไม่ทำตารางเวลาเดี๋ยวกิเลสมันจะแย่งเอาเวลาไปทำในโลกธรรมหมดเนี่ยมันจะบอกให้ให้หาเงินต่อหาตำแหน่งต่อหารางวัลต่อไปเที่ยวต่อหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไปเรื่อยๆแล้วเราจะมีเวลาน้อยเนี่ยตอนนี้มีตารางแค่เดือนละวันเดียวเท่านี้ต่อไปลองทำสักแบ่งกันละห้าสิบห้าสิบไม่ได้เลย ทางโลกสักสิบห้าวันทางธรรมสักสิบห้าวันมันจะได้มีอะไรมาให้ได้มีความภูออมิอกภูมิใจบ้างอันนี้มันเพียงแต่เดือนละครั้งเท่านั้นเองมันจะได้อะไรมากมายนักหนาถ้าอยากจะเจริญก้าวหน้าต้องเพิ่มทางธรรมให้มากขึ้นนะถ้าปล่อยให้เป็นอย่างนี้มันก็ได้แค่นี้แหละไม่มีวันที่จะมากไปกว่านี้ พวกที่ฉลาดเขาก็เลยสละเรือนี้ไปไม่มากับพวกเราแล้วเขาไปอยู่ของเขาเ็าทำของเขาทุกวันเขาเจริญมรรคทุกวันพวกเราอย่างเจริญแค่เดินละครั้งอยู่นี่มันก็ยังต้องอยู่เรือลําเก่าไปเอาแล้วนะนี่คือกิจที่เราต้องมาพิจารณากันคือกิจอริยศัสตร์สีหรือกิจในโลกธรรมสี่ ้โลกธรรมสี่ก็เวียนว่ายตายเกิดต่อไปทุกต่อไปถ้ากิจนริยาสัจสี่ก็พ้นทุกไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันอีกต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาขออนุโมทนาให้พอรอยะถาวาริวาหาปุราปาริปุรเรนติสาคลังเอวามวายตโตทินังเป ต, ตานาังอุ ป, ปกัปติ อิชิตังปัติตังตุมหังคิปเมวะสมิจจตุสัพเพเปเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินาสตุ มาเตภวะตะวันตรายุสุขีทีคายุโกภวะอพิวะธนสีลิตสะนิจังวุธาปจายโนจตารธรรมวาทานติอายุวันโอสุขังพาลังวะนนี้เข้ามาเท่าไหร่ ครับผมวันนี้ทาง Facebook เข้ามาทั้งหมดส6 3หสาคน y o u t u หนึ่งร้อสาสสามคนวิทยุออนไลน์ส8บคนพูดและฟังบนเขาหนึ่ง้อยสี่สิบห้าคนรวมทั้งหมดห5 9้อยห้าสิบเกคนครับผมเมื่อวานนี้เยอะหน่อยเจ0ดร้อยกว่ามีญาติโยมคณะขา้าราชการที่จุฬา มาอยู่ที่วัดปฏิบัติธรรมสามคืนสองคืนสามวันประมาณนี้ก็เลยขึ้นมาร้อยกว่าคนก็เลยทำให้ยอดธรรมดาขึ้นไปถึงเจ็ดร้อยเจ็ดสิบปกติมันประมาณหกร้อยอยู่ในช่วงหกร้อยหกร้อยกว่าประมาณนี้เลยนา น, นานทีเดี๋ยวเราทำไม่มีใครถามเลยนะ ฟังจนรู้หมดแล้วไม่รู้จะถามอะไรแนละ้วถามอย่างเดียวก็คเกิดปฏิบัติอย่างไ ร, รถามคำถามจากบนข่าวนะคะเรื่องการรู้สึกตัวการปฏิบัติในชีวิตประจำวันเราจะทำอย่างไรเช่นขณะตากผ้า ใจมันก็ลอยไปคิดเรื่องต่างๆนานาไม่รู้สึกตัวเราจะต้องฝึกอย่างไรและมีอีกหลากหลายกิจกรรมที่จิตลอยฟุ้งต้องฝึกอย่างไรคะเราก็ต้องอาศัยคำบริกรรมเลืออาศายการสวดมนต์ไปในใจเช่นเรากำลังตากผ้าแล้วมันไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ใช้คำบริกรรมพุทโธพุทโธเดินกลับมาได้ พุโทโธพุโทโธไปตากผ้าไปซักผ้าไปพุโทโธไปตักน้ําก็พุโทโธไปล้างหน้าแปรงฟันก็พุทธโธไปหรือจะสวดอิติปิโสไปก็ได้มันก็จะดึงใจให้กลับมาอยู่ที่งานที่เรากำลังทําอยู่พอมันไม่ไปเราก็หยุดพุดโทโธได้หยุดสวดได้คันถามจากคุณภัยวนันจําเป็นหรือเปล่าคะ ที่จะต้องไปแสวงบุญที่อินเดียในขณะที่จิตระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาถ้าเราไม่สงสัยว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่าก็ทําทำคําสอนมีจริงหรือเปล่าพระสงฆ์มีจริงหรือเปล่าเราก็ไม่ต้องไปที่เขาไปเพราะบางคนเขายังไม่เชื่อว่าพระพุทธเจ้านี้มีจริงหรือไม่คําสอนเป็นของเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่มีพระสงฆ์อริยะสงฆ์สาวกที่ ได้เป็นจากคำสอนของ พ, อพระพุทธเจ้าหรือไม่เขาก็เลยต้องไปกันแต่สำหรับคนที่เขาเชื่อเขาก็ไม่ต้องไปคำถามจากคุณลิตากราบพระอาจารย์มีความคิดเกิดบ่อยครั้งว่าปีใหม่ตรุษจีนสงกรา์ และอื่นๆไม่เคยมีอยู่จริงทําไมเราต้องเฉลิมฉลองวันปีใหม่ซึ่งมันไม่เคยมีบางทีก็คิดว่าแม้กระทั่งวันเดือนปีมันไม่มีมันมีแต่มืดสว่างผิดปกติไหมคะขอความอยากของเราไงอยากเที่ยวอยากเล่นอยากหาความสุขเราก็เลยต้องสร้างวันหยุดกันขึ้นมาถ้าทํางานทุกวันมันก็ไม่มีเวลาเที่ยวมันก็เลยต้องหาวันหยุดกัน คำถามต่อไปจากคุณแอร์ชมพูเวลานั่งสมาธิแล้วสับประกปืนนั่งต่อก็ยังสับประกอีกขอกุุศโลบายวิธีการแก้ไขอย่างไรดีคะก็ลุกขึ้นมาเดินแทนมาเดินแล้วก็พุโทโธพุโทโธไปแทนเ้าเรียกว่าเดินสมาธิอย่านั่งสมาธิให้เดินสมาธิเดินสมาธิเราเรียกว่าเดินจงกรม การเดินจงกรมก็คือการเดินสมาธินีเ่เราไม่ได้เดินแบบช้อปปิง้งเข้าใจไหมเดินแล้วก็คิดถึงกระเป๋ารองเท้าเราเดินแล้วเราคิดแต่พุทโธพุทโธเรียกว่าเดินจงกรมถ้ง่วงท้าสับประงกก็ลุกขึ้นมาเดินแทนถ้าเดินยังง่วงอยู่ก็ให้เดินถอยหลัง คำถามต่อไปจากคุณอภิชาติกราบนามสการพระอาจารย์ครับการที่เราฝึกให้มีสติรู้ทุกกิริยาบทการเดินนั่งหรือนอนความรู้สึกมันต้องออกแบบไหนครับจึงจะถูกต้องแล้วเวลาทั้งวันที่เราฝึกสติแล้วพอจะถึงเวลาเข้านอนเรามาภาวนาต่อกำหนดรู้ลมไปเรื่อยๆทำแบบนี้ถูกไหมครับ ก็อย่าทำแต่เฉพาะเวลาใกล้จะนอนเท่านั้นควรจะสลับกับการทำอะไรพอเราไม่ต้องทำอะไรก็หาเวลามานั่งเพราะเวลานั่งเราจะได้ประโยชน์มากกว่าเวลาอื่นความสงบนี้จะได้มากที่สุดตอนที่เรานั่งถ้าเราไปทำอะไรเราก็จะได้เพียงแต่ควบคุมใจไม่ให้พงร้านเท่านั้นเองแต่จะให้มันสงบนน่งอย่างเต็มที่นี้เราต้องนั่ง ต้องหยุดทําทุกอย่างแต่กิเลสมันไม่ชอบให้เรานั่งเราจึงไม่กล้ยได้นั่งกันเมื่อก่อนเราตอนที่เราเริ่มต้นก็เหมือนกันเราเคยอ่านวิธีนั่งสมาธิมาหลายเดือนแต่ไม่เคยนั่งสักทีวันดีคืนดีมันถามตัวเองว่าเฮ้ยเมื่อไหร่จะนั่งสักทีเว้ยก็นั่งเดี๋ยวนั่นเลย <S <S เออพอเริ่มนั่งแล้วมันก็จะนั่งไปได้เรื่อยถ้าเราไม่เริ่มนั่งมันก็จะไม่ยอมมานั่ง กิเลไม่ชอบนั่งเรนเราต้องบังคับให้มันนั่งเวลาไหนที่เราไม่ต้องทำอะไรแล้วเรานั่งได้ก็นั่งไปเลยถ้านั่งไม่ได้ก็เดินจงกรมไปก่อนวันแล้วเหรอโอเคทำยังไงดีฝนก็ยังตกอยู่จะให้กลับบ้านก็เปียกจะนั่งก็ไม่มีใครถามอะไร <Okay. S 2> <Okay. S 1> เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งดู ใครมีคำถามกำลังพิมพ์ก็พิมพ์เข้าม า, า, า, าแปลกนะฝนไม่เคยคิดจะมาตกตอนนี้ เ, เ, เรื่องการนั่งสมาธินี่สาคัญมากาแต่ก่อนจะนั่งได้ต้องมีสติก่อนเราจรึงต้องพยายามฝึกสติอยู่เรื่อยการเดินจงกรมก็เป็นการฝึกสติการมีสติอยู่กับงานที่เราทำอยู่ก็เป็นการฝึกสติ แต่ความกำลังของสตินี่ต่างกันเดินจงกรมนี่ได้สติมากก่อการทำงานการทำงานเพราะเรายังต้องใช้ความคิดอยู่แต่เดินจงกรมนี่เราวแทบจะไม่ต้องใช้ความคิดเลยเราจะหยุดความคิดได้มากกว่าการทำงานแต่เราก็ต้องมีสติในขณะทำงานเพราะถ้าเราไม่เริ่มที่ตรงนั้นเวลาเรามาเดินจงกรมเราจะเดินไม่ได้ เดี๋ยวนีนมันก็จะคิดเรื่องงานเรื่องการต่อเนี่ยเราต้องพยายามหยุดความคิดให้มากที่สุดทุกเวลาเท่าที่เราจะสามารถทำได้เวลาไหนที่เราไม่ต้องใช้ความคิดก็หยุดมันบังคับให้มันอยู่กับงานที่เราทำก็ได้ถ้ามันไม่ยอมอยู่เราก็ต้องให้มันบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปเช่นเวลาเราแปลงฟันถ้าเราบังคับให้มันอยู่กับการแปลงฟันไม่ได้มันยังจะไปคิดถึงคนนั้นคนนี้อยู่ ก็ให้มันบริกรรมพุทโธพุทโธไปถ้าเราใช้พุทโธสู้กับมันต่อไปมันก็จะไม่ไปมันก็จะอยู่กับงานที่เราทำได้ถ้าอยู่ได้เราก็ควบคุมให้มันอยู่กับงานที่เราทำมันสบายกว่าพุทโธพุทโธมันเหนื่อยต้องบริกรรมแต่ถ้าคอยเฝ้าดูว่ากาลังทำอะไรนี้มันสบายกว่าเยอะแต่ถ้ามันไม่ยอมดูเราก็ต้องเหนื่อยหน่อย ต้องใช้พุโทโธต้องใช้บทส่วนมนต์ดึงมันกลับมาแต่พอมันกลับมามันไม่คิดแล้วเราก็สบายเราก็คอยให้มันดูอยู่กับงานที่เรากําลังทําอยู่พอเราไม่ต้องทํางานเราก็นั่งเราก็มาดูลมแทนเพราะถ้าเรายังไม่มีอะไรดูเดี๋ยวมันจะไปคิดได้ง่ายเรายังต้องคอยดึงมันไว้ให้มันอยู่กับงานอยู่กับอะไรสักอย่างถ้านั่งมันไม่มีอะไรให้ดูก็ต้องดูลม ลมเข้าลมออกไปเราไม่ต้องการใช้ความคิด mm. อย่าไปคิดพุดโทโธก็ยังคิดอยู่ mm. ถ้าไม่คิดได้สบายกว่าดูลมหายใจไป ด, ดูว่ามันเข้าดูว่ามันออกเท่านั้นเองไม่ต้องไปวังคับลมลมจะสั้นจะยาวจะหยาบจะละเอียดก็ให้รู้ตามความเป็นจริงให้ใช้ลมเป็นที่ผูกใจไม่ให้ไปคิดถ้าเรากาะติดกับลมได้เดี๋ยวจิตก็ เข้าสู่เบรคขาได้เข้าสู่ความเป็นหนึ่งได้รวมเป็นหนึ่งสับแต่วรู้ได้มีคำถามก็ามได้ยังา ม, ามีคนถามจากคุณสุขใจการพิจารณาทางปัญญาควรพิจารณาหลังจากรู้สึกสมาธินิ่งแล้วใช่ไหมคะและควรพิจารณาอย่างไรจึงดีไม่ใช่หรอกเวลาเน่งไม่ควรพิจารณา เวลานิ่งควรจะรักษาให้มันนิ่งไปดนานก่อนเวลานั่งสมาธิไม่ใช่เวลาพิจารณาปัญญาไว้รอให้จิตออกจากสมาธิก่อนพอจิตออกจากสมาธิแล้ว เ, เริ่มคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้จะคิดด้วยใจที่เย็นเวลามีสมาธิออกจากสมาธิมาสมาธิยังไม่หายเหมือนน้ำเย็นที่เราแช่ไว้ในตู้เย็นเวลาเราเอาออกจากตู้เย็นใหม่ๆมันยังเย็นอยู่ใจเราเหมือนน้ย เราต้องเข้าไปในสมาธิให้มันเย็นก่อนเพราะมันร้อนมันพิจารณาปัญญาไม่ได้ถ้ามันร้อนมันจะพิจารณาแต่กิเลสพิจารณาแต่ที่เที่ยวที่กินที่ที่เล่นต่างๆมันจะไม่ยอมมาพิจารณาทางปัญญาเราก็เลยต้องทำให้ใจมันเย็นก่อนทำให้กิเลสมันพักตัวก่อนแล้วเราถึงจะได้มีสามารถเด้งให้มันมาคิดทางปัญญาได้ เพราตอนที่อยู่ในสมาธิไม่ใช่เวลาคิดทางปัญญาเป็นเวลาทําใจให้เย็นพราะฉะพยายามให้มันอยู่ในสมาธิให้นานที่สุดเหมือนกับน้ำแช่ยิ่งนานเท่าไหร่มันยิ่งเย็นพอออกมาจากสมาธิมันจะได้เย็นมนานเพราะว่าถ้าใจไม่เย็นไปพิจารณาทางปัญญาไม่ได้ให้พิจารณาความตายมันก็ถอยได้แต่ถ้าใจเย็นนี้มันชอบ มันชอบความจริงมันมันไม่ถอยมันสู้เน้นต้องเอาทำใจให้เย็นเวลานั่งสมาธิเวลานิ่งแล้วอย่าไปทำอะไรพยายามประคับประคองให้มันนิ่งไปนานๆจนกว่ามันไม่ยอมนิ่งแล้วนอกจากว่าเราอยากจะสู้กับมันเราก็พุทโทใหม่พอมันไม่ยอมนิ่งมันอยากจะออกอยากจะเลิกเราอย่าเพิ่งเลิกก็ได้เริ่มต่อไปใหม่ต่ออีกม้วนหนึ่งต่ออีกรอบหนึ่งพุทโธใหม่ดูลมใหม่ต่อไป ให้มันกลับเข้าไปนี่ไกถ้าทำอย่างนี้ได้มันยิ่งอยู่ได้นานแล้วพอออกจากสมาธิมาใจมันจะเย็นได้นานอุเบกขามันจะอยู่ได้นานเราจะได้พิจารณาปัญญาได้นานัต้องรอให้ออกจากสมาธิก่อนแล้วขึ้นมาพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายพิจารณาอยู่เรื่อยๆไม่ให้ลืมตอนนี้เราลืมกันลืมความแก่ลืมความเจ็บลืมความตายกันต้องพยายามพิจารณาไม่ให้ลืม พอไม่ลืมนวเราจะได้มามาเตรียมตัวรับกับความแก่ความเจ็บความตายเราก็จะรู้ว่าเราจะรับกับความแก่ความเจ็บได้ก็ต้องไม่กลัวมันต้องไม่อยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราก็จะมาพยายามหยุดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายกันแล้วต่อไปเราก็จะหยุดความทุกข์ได้เราจะไม่กลัวตายไม่กลัวเจ็บไม่กลัวแก่เพราะเราไม่มีความอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย คำถามต่อไปจากคุณวิชัยพระอาจารย์เจ้าคะนั่งสมาธิภาวนาพุทโธแล้วแต่จะคอยมีความคิดที่มันอยู่รอบคำภาวนาพุทโธแต่ก็ภาวนาพุทโธดังๆในใจเพื่อจะไม่ให้ตัวคิดตัวอื่นเข้ามาตรงพุทโธได้ใหม่เจ้าคะได้เราห้ามมันไม่ได้หรอกใหม่ๆเพราะเราเคยคิดมาอยู่ตลอดเวลา มันก็ยังคิดต่อไปแต่เราก็พยายามอยู่กับพุโทโธไปพยายามจดจ่ออยู่กับคำบริกรรมพุโทโธต่อไปถ้าเราจดจ่ออยู่กับพุโทโธได้มากขึ้นมากขึ้นความคิดก็จะเบาลงไปถอยห่างออกไปเองแต่ใหม่ๆมมันจะแทรกเข้ามาอยู่เรื่อยๆไม่ต้องไปเราห้ามมันไม่ได้นะเราต้องใช้การอยู่กับพุโทโธเป็นวิธีหยุดมัน <S S S S S นะถ้าเราอยู่กับพุโทโธต่อไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะหายไปเอง ตอนใหม่ๆถ้ามันมาก็อย่าไปสนใจปล่อยมันไาอย่าไปอยากให้มันหายยิ่งอยากมันยิ่งเครียดใหญ่อย่าไปมีความอยากในขณะที่นั่งสมาธิอยากให้สงบก็ไม่ได้อยากให้ไม่คิดก็ไม่ได้ยิ่งอยากมันยิ่งเครียดอย่าไปอยากให้อยู่กับพุทโธพุทโธไปทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไปอยู่กับพุทโธไปเรื่อยๆเดี๋ยวใจมันก็จะคิดน้อยลงไปน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันก็จะสงบขึ้นมาเอง คำถามจากคุณพันธิพากราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะเวลานั่งสมาธิแล้วเกิดเวทนาเมื่อยปวดขาเราจะต้องทนนั่งต่อไปหรือสามารถเปลี่ยนอิริยาบถได้คะถ้าเราต้องการให้จิตสงบเราก็ต้องพุทโธต่อไปเรื่อดูลมต่อไปอย่าไปเปลี่ยนอิริยาบถเพราะเปลี่ยนอิริยาบถเหมือนเรากลับไปเริ่มต้นใหม่ก็ไป ไปไม่ถึงฝนะั่งว่ายน้ำไปครึ่งทางเจอจระเข้ก็วนกลับขึ้นฝั่งแล้วพอเห็นจระเข้หายไปก็กระโดดลงไปใหม่พอไปกลางกลางกลางทางก็เจอจระเข้ก็ถอยอีกเวทนานี่เหมือนจระเข้ เ, เลานั่งแล้วพอเจอความเจ็บก็ถอยดีกว่าเข้าเกียร์ถอยหลังเปลี่ยนไริยาบทมันก็ไปได้แค่นี้ไปได้แค่ครึ่งทาง พอเจอจระเข้ก็กลับเลยไปไม่ถึงฝั่งนู้นทันทีถ้าอยากจะไปให้ถึงฝั่งนูน้นไปไปเจอความสงบก็ต้องอยากเปลี่ยนอิริยาบถสู้ต่อไปพุทโธต่อไปดูลมหายใจต่อไปเลือกเอาวิธีไหนที่จะทําให้เราสู้ได้ก็เลือกเอาบางคนชอบคําบริกรรมก็บริกรรมไปบางคนเฝ้าดูลมต่อไปได้ก็ดูลมต่อไปอย่าไปสนใจกับความเจ็บปล่อยมันเจ็บไปแล้วพอเรา อยู่กับพุทธโธแล้วอยู่กับลมแล้วเราจะรู้สึกว่าความเจ็บมันเบาเองแล้วต่อไปเราจะไม่รู้สึกเดือดร้อนกับความเจ็บเราก็จะผ่านมันได้จระเข้มันไม่กัดหระเรากลัวมันเองไหวยต่อไปถ้าเราไหวแล้วเสือจระเข้มันก็ถอยเองมันด้วยว่าเราเอาจริงมันก็เลยกลัวเราเองอ <laughs> อ่าปวดได้ยังอ่า คำถามจากคุณสุรวิทย์พระอาหารลานิพพานได้ไม่ถือเป็นการฆ่าตัวตายใช่ไหมครับเป็นยังไงลานิพพานได้เพราะถ้าพระอาหารฆ่าร่างกายก็ยังเป็นการฆ่าตัวตายอยู่แต่ไม่มีพระลานองไหนไม่มีสติที่จะมาฆ่าตัวตายร่างกายก็ปล่อยมันเดี๋ยวมันก็ตายของมันเองไม่ไม่ต้องไปฆ่าให้มันเหนื่อยแต่ท่านไม่รักษาพยาบาลได้ อย่างนี้ไม่ได้ข่าตัวตายให้มันอยู่ตามธรรมชาติอยู่ได้ก็อยู่กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ไม่กินหายใจได้ก็หายใจหายใจไม่ได้ก็ไม่หายแต่จะไม่ต้องให้คนเอาเครื่องหายใจมาให้หรืออะไรอย่างนี้ไม่ต้องท่านจะไม่ทำพอแล้วแบกๆมานานพอแล้วอยมันอยู่ตามธรรมชาติไปอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ให้มันไปหมดล้ยัง คำถามสุดท้ายนะคำถามจากคุณชาตินีนะคะการปฏบิบัติบูชาคือการเจริญสติทั้งวันทำทานศีลภาวนาและต้องให้ได้ความสงบจึงจะถือว่าปฏิบัติบูชาเต็มร้อยหรือยังคะต้องเพิ่มอะไรอีกไหมคะอ๋อก็เนี่แหละทำให้ครบทานศีลภาวนาถ้าครบแล้วก็ ต้องทำให้เต็มที่ทมใหเต็มที่ก็ต้องทาแบบนักบวชไม่ทำอย่างอื่นไม่ทํากิจทางทางโลกก็ทาสี่ไม่ไปหาลาบยศสารเสริญสุขจะมุ่งมาที่การทําทานรักษาศีลภาวนาไปเพียงอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวก็จะได้ผลก็จะได้ถือว่าได้ปฏิบัติบูชาอย่างสมบูรณ์เอาแล้วนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา